บทที่ส0สินางบุญภาแม่ขุนทองเข้ามาอยู่ที่วัดป่ามะม่วงแล้วก็ได้ช่วยทำงานกับท่านพระครูอย่างแข็งขันตั้งแต่การดูแลรักษาความสะอาดของกุฏิไปจนถึงการต้อนรับขับสู้กับบรรดาแขกเกลือที่มาหาท่านเจ้าอาวาส ด้วยวัตถุประสงค์ต่างๆกันทั้งยังจัดตารางวันเวลาในการรับแขกติดไว้ที่หน้ากุฏิเพื่อท่านพระครูจะได้มีเวลาพักผ่อนและก็ทำธุระส่วนตัวของท่านการเขียนหนังสือคู่มือการสอบอารมณ์กรรมฐานให้แล้วเสร็จท่านพระครูให้หนายสมชายขึ้นไปอยู่ชั้นบนของกุฏิซึ่งมีห้องเล็กๆว่างอยู่แล้วนายขุนทองอยู่ในห้องชั้นล่างแทน ลูกศิษย์นมยินดีปรีดาสินักที่ได้คนมาช่วยแบ่งเบาภาระแม้จะรู้สึกขัดหูขัดตากับจริตจากร้านของฝ่ายนั้นก็ยังดีกว่ารับภาระหนักอยู่แต่ผู้เดียวอุปนิสัยอย่างหนึ่งของนายขุนทองคือเป็นคนรักสัตว์ตอนอยู่กับพ่อแม่ที่บ้านกิจวัตรประจำวันของเขาก็คือเลี้ยงดูให้อาหารแก่หมูหมากาไกา่ เวลาแต่ละวันจึงหมดไปกับการวุ่นวายอยู่กับสัตว์เหล่านี้เมื่อมาอยู่วัดป่ามะม่วงในขุนทองก็ไม่ได้มามือเปล่าหากหอบหิ้วลูกสุนัขที่หย่านมแม่มาแล้วด้วยถึงสามตัวคือเจ้าหมีเจ้าโฮมและเจ้าขาวลูกสุนัขสามตัวนี้เกิดจากแม่เดียวกันและวันเดียวกันแต่เจ้าหมีดูตัวใหญ่กว่าเพื่อนขนของมันสีดำสนิท และรูปร่างหน้าตาก็เป็นหมีมากกว่าเป็นหมาเพราะเหมือนหมีมากกว่าเจ้าโฮมกับเจ้าขาวตัวเล็กกว่าเจ้าหมีเกือบครึ่งทั้งที่หน้าตาของมันบ่งบอกว่าเป็นหมา น, น่อยหมา น, หน่อยธรรมดาเจ้าโฮมนั้นขนสีน้ำตาลขณะที่เจ้าขาวขนสีเดียวกับชื่อนายขุนทองรักลูกสุนัขสามตัวนี้มาก ถึงขนาดแบ่งชั้นวันนะให้เสร็จสัพ์เพื่อจะได้ไม่ปะปนกับพวกหมาวัดแต่ถึงจะเป็นหมามีปลอกคอหากเจ้าสามพี่น้องก็ไม่ได้เย่อหยิ่งจองห้องจึงไม่เป็นที่ขม็ดเข็นเคี้ยวของหมาวัดตัวอื่ น, นในขุนทองอนุญาตให้เจ้าหมีเจ้าโฮมและเจ้าขาวเข้ามานอนในกุฏิชั้นล่างซึ่งท่านพระครูก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะท่านเองก็รู้สึก ถูกชะตากับเจ้าหมีเป็นพิเศษถึงกับต้องตรวจสอบด้วยเห็นหนอและรู้ว่าในอดีตมันเคยเป็นทหารคู่ใจของท่านชาติต่อมาก็มาเป็นทายกของวัดป่ามะม่วงแห่งนี้น่าเสียดายที่ต้องมาอุบัติในกำเนิดเดรัจฉานซึ่งเป็นทุขติภูมิลาวสาัตว์ที่เกิดในทุขติภูมินั้นถูกจัดให้อยู่ในประเภทเอาเวนยสัตว์ จึงไม่อาจรับธรรมะได้แต่ก็คงจะเป็นบุญของมันที่ได้มาพบท่านเพราะชาติต่อไปมันจะไม่ต้องเกิดในอบายภูมิอีกท่านจะต้องลุ้นให้มันถึงที่สุดลงลงฮะหินก้อนนั้นเกะ ก, กะจังเอาไปไว้ที่อื่นได้ไหมฮะในขุนทองถามหลังจากที่ท่านพระครูฉันพัฒหารเช้าเสร็จตั้งแต่เข้ามาอยู่ในกุฏิ เขาก็จัดการให้ท่านฉันเสียชั้นบนเพราะแขกบางคนชอบมาพูดคุยซักถามขณะที่ท่านกําลังฉันก้อนไหนล่ะก้อนที่รูปร่างเหมือนไขยักษ์นะฮะข้าไม่เคยเห็นไขยักษ์เลยนึกไม่ออกแต่ถ้าเองหมายถึงก้อนที่วางอยู่ด้านขวาของอาสนะข้าก็บอกเองว่าอย่าไปยุ่งกับเขาเพราะเขาไม่ใช่ก้อนหินธรรมดา แม้หลงลงแล้วก็หนูถามดีๆต้องยวนด้วยล้านชายต่อว่าพรังค้อนประหลับประเหลือกท่านพระครูชินเสียแล้วกับกริยาเช่นนี้จึงไม่พูดไม่ว่าให้เขาต้องรำคาญหูก็กุติลงน้ามันมีก้อนหินกี่ก้อนล่ะตั้งแต่เข้ามาอยู่เนี่ยหนูก็เห็นมีก้อนเดียวนั่นแหละและที่ว่าไม่ใช่ธรรมดาอะมันเป็นหินวิเศษเหรอฮะ นุ่ไวัย2ี่สิบเอ็บถามอย่าไปเรียกเขาว่ามันข้าจะบอกเองให้รู้แล้วก็อย่าเที่ยวไปบอกคนอื่นล่ะหินก้อนนั้นนะมีวิญญาณสิงอยู่เขาอยากจะมาปฏิบัติกรรมฐานข้าก็เลยให้เขาอยู่ชั้นล่างผู้หญิงหรือผู้ชายฮะในขุนทองถามเขาเชื่อ ว, ว่าผีมีจริงแล้วเขาก็เป็นคนไม่กลัวผี จึงไม่ได้ส่งเสียงกริ๊ดกราดออกมาผู้ชายหลอ่อไหมฮะเองถามทำไมก็ถ้าหล่อหนูจะได้จีบเป็นแฟนซะสิฮะมีแฟนเป็นผีมันเท่หยอกซะเมื่อไรคนที่คิดว่าตัวเองเป็นผู้หญิงตอบท่านพระครูรีบห้ามว่านี่ <_: S 1> ขอเสตีเถอะ เ, เจา้าขุนทองเองอย่าได้มาคิด ลามกจกเปรตในกุติของข้าท่ข่าให้เองมาอยู่ที่นี่ก็เพื่อจะให้มาทำความดีนะคนอยากมีแฟนมันช่วยยังไงละ่ะฮะคนถูกว่าย้อนมันวิปริตผิดเพศง่ายแล้วก็ยังผิดภพภูมิด้วยอีกประการหนึ่งเขาก็มีคู่รักแล้วเองเห็นเสาสี่เหลี่ยมพิงอยู่ที่ต้นปีบ หลังกุตินั่นไหมละ่ะนั่นแหละแฟนเขาละเสาสีดำนั่นเหรอฮะท่านพระครูตอบว่าถูกแล้ววิญญาณผู้หญิงอยู่ที่นั่นเขาตามผู้ชายในก้อนหินมาฟังแล้วขุนทองก็ร้องกรี๊ดว้ายตาเถนหกคเมนตีลังกาเจ้าข้าเอ้ยเป็นผีก็ยังอยากปีผัว ผีอยากมีผัวอีกขุนทองไม่เคยพบไม่เคยเห็นเลยผีอยากมีผัวก็ยังไม่วิปริตเท่าผู้ชายอยากมีผัวลอกขุนทองเอ้ยท่านพระครูพูดประชดประชันแถมยังอยากมีผัวเป็นผีด้วยใช่ไหมฮะแทนที่จะโกรธนายขุนทองกลับพูดโตตอบลุงลุงอย่างไม่ลดละท่านพระครูได้เรียนรู้นิสัยของหลานชายเพิ่มขึ้น ปกติผู้ชายที่มีจิตใจเป็นผู้หญิงนั้นมักจะกลัวผีขี้กโกรธแล้วก็ปากจัดหากในขุนทองไม่ได้เป็นเช่นนั้นท่านมองเห็นความหวังอยู่รำไรว่าคงจะช่วยเขาได้เมื่อไรเองหายดัดจริต ด, ดิดดิ้นสักทีนาเจ้าขุนทอง พูดเป็นเชิงประรบไม่มีทางไม่มีทางก็ฟ้าเขาลิ้ิให้หนูเป็นอย่างนี้ก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละฮะหลวงลุล ง, ลงชายหนุ่มว่าเอ็งเชื่อฟ้ามากกว่าเชื่อกรรมงั้นหรือหนูอยู่ใต้ฟ้าและไม่เชื่อฟ้าได้ไงฮะข้าก็อยู่ใต้ฟ้าเหมือนกับเองแต่ข้าไม่เชื่อเรื่องฟ้าลิขิต ข่าเชื่อเรื่องกรรมลิขิตเท่านั้นหนูไม่จำเป็นต้องเชื่อเหมือนกับหลวงลุงนี่ฮะหรือว่าหลวงลุงว่าจำเป็นชายหนุ่มย้อนถามแน่นอนข้าไม่ได้บังคับให้เอ็งเชื่อเหมือนข้าเพียงแต่อยากให้เอ็งเชื่อในสิ่งที่มันจริงไม่ใช่เชื่อลมๆแล้งๆแบบนั้นโอ้ยเรื่องความเชื่อน่ะจะบังคับกันไม่ได้หรอกฮะหลวงลุงฮะ คนเราทำกรรมมาไม่เหมือนกันต่างกรรมต่างวาระและจะให้คิดเหมือนกันเชื่อเหมือนกันได้ยังไงจริงไหมฮะโอ้โหวันนี้เป็นวันอะไรนอะพอคุ้นทองถึงได้พูดเข้าทีดีนักท่านพระครูเอ่ยปากชมวันศุกร์ขึ้นเก้าค่ำเดือนสามปีขานพุทธศักราช2517ิเจห้า นายขุนทองตอบเพราะเพิ่งดูปฏิทินมาเอ็งจะทำอะไรก่อไปเธอไปประเดี๋ยวข้าจะเขียนหนังสือต่อท่านพระครูไล่ทางอ้อนซึ่งนายขุนทองก็ไม่ว่ากะไรเขากราบสามครั้งแล้วจัดแจงเก็บสำรับเพื่อยกมารับประทานกับนายสมชายที่กุฏิชั้นล่างท่านพระครูลงมาล้างมือบ้วนปากในห้องน้ำแล้วขึ้นไปเขียนหนังสือต่อ บ่ายสองโมงจึงลงไปรับแขกตามตารางที่นายุนทองจัดให้พระโบเฮียวปฏิบัติกรรมฐานเสร็จจึงแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลไปยังบิดามารดาเจ้ากรรมนายเวรและก็สับกระสตว์หลังจากฉันเช้าแล้วท่านก็เริ่มเดินจงกรมแล้วก็นั่งสมาธิไปจนได้เวลาฉันเพลนปฏิบัติเช่นนี้ทุกวันจนเป็นกิจวัตรเว้นเสียแต่ว่า วันใดมีธุระหรือข้อสงสัยจะต้องเรียนถามพระอุวาชาอาจารย์จึงจะไปหาท่านที่กุติท่านเริ่มจะชินกับการดำเนินชีวิตแบบสมณะเป็นชีวิตที่เรียบง่ายและสุขสงบไม่ต้องตกเป็นทาสของกิเลสตัณหาซึ่งจะชักจูงให้ชีวิตต้องร้อนกระวนกระวายบัดนี้ท่านตัดสินใจแน่วแน่แล้วว่าจะดำรงอยู่ในเพศบรพชิต ไปจนกว่าวาระสุดท้ายแห่งชีวิตจะมาถึงไม่คิดที่จะศึกออกไปแต่งงานมีย่ามยมเรือนเฉดเช่นคนอื่นๆความหวังของท่านในบัดนี้คืออยากพบพระในป่าที่เคยสอนกรรมฐานให้ท่านพระครูที่ป่าดงพญาเย็นเมื่อห้าหกปีก่อนพระบัวเหียวมีความเชื่อว่าพระในป่าที่ท่านพระครูพูดถึงนั้น เป็นองค์เดียวกับพระอาหารหันต์ที่มีนามว่าอุตระที่พระเจ้าอโศกมหาราชทรงมาเผยแผ่พระพุทธศาสนายังดินแดนสุวรรณภูมิในปีพุทธศักราช234อันเป็นระยะเวลาที่พระองค์ครองราชาสมบัตินพระนครปาตาลีบุตรความรู้อันนี้พระบุเฮียวได้มาจากตำราเล่มหนึ่งที่ขอยืมมาจากพระมหาบุญ ในตำราได้กล่าวว่าพระเจ้าอาโศกมหาราช ท, ทรงส่งศาสนาูตออกไปเผยแผ่พระาศาสนาในานานาประเทศทรงส่งพระสนะกับพระอุตรมายังดินแดนสุวรรณภูมิพระบวยเฮียวเคยนำเรื่องนี้ไปเรียนถามท่านพระครูแต่ก็ไม่ได้รับการยืนยันขณะดเดียวกันท่านก็ไม่ได้ปฏิเสธเพียงแต่บอกว่า เมื่อใดที่ท่านเกิดปัญหาไม่สามารถแก้ได้ก็จะไปถามพระในป่าโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปถึงป่าดงพญาเยนภิกษุวัยยี่สิบหกอธิบายให้ผู้อื่นฟังไม่ได้ว่าเหตุใดท่านถึงเชื่อแบบนี้เพราะมันขัดกับหลักของเหตุผลปกติมนุษย์จะมีอายุอย่างมากก็ประมาณร้อยปีเศษที่จะอยู่ได้ ตั้งสองพันกว่าปีนั้นไม่น่าจะเป็นไปได้บอกใครก็คงไม่มีใครเชื่อแต่ท่านก็ไม่รู้ว่าทำไมจึงต้องเชื่อเพียงได้อ่านเรื่องของพระเจ้าอาโศกมหาราชกลับได้ฟังเรื่องของพระในปา่าจากท่านพระครูท่านก็นําความคิดนี้มาผสมผสานกันเสร็จสับว่าพระอุตระก็คือพระในปา่ายิ่งเห็นท่านพระครูไม่ปฏิเสธ ท่านก็ยิ่งเชื่อแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นท่านย่างมั่นใจว่าวันหนึ่งท่านจะต้องพิสูจน์ความเชื่อนี้ให้ได้ท่านพระครูพูดเป็นปริศนาไว้ว่าถ้าเธอมีความมุ่งมั่นที่จะรู้วันหนึ่งเธอจะต้องรู้ฉันต้องการให้เธอรู้ด้วยตัวเองมากกว่าให้รู้เพราะการบอกเล่าของฉันพระบวเฮียวกําลังไปหอฉันพอท่านเปิดประตูห้องออกมา ก็พบจดหมายฉบับหนึ่งวางอยู่เมื่อหยิบขึ้นมาดูก็เห็นว่าเป็นของท่านจึงเปิดออกอ่านเป็นลายมือของนายรุ่มหากข้อความในจดหมายเป็นของโยมารดาเพราะนางบุญภาอ่านเขียนภาษาไทยไม่ได้เนื่องจากเป็นคนยวนท่านอ่านจดหมายของมารดาอย่างตั้งใจจดหมายนั่นเขียนเมื่อวันที่ส1มอดมกราคมพุทธศักราช2517 ความว่าบัวเฮียวลูกรักจดหมายของเจ้าที่เขียนเมื่อวันที่ยี่สิห้าธันวาคมพุทธศักราช2516นั้นแม่ได้รับเมื่อหลังปีใหม่ก็ดีใจว่าเจ้าเป็นพระแล้วงานแม่ยุ่งไม่มีเวลาตอบกระทั่งเกิดเรื่องประหลาดขึ้นเมื่อเช้านี้ก็เลยต้องให้ทิดลุงเขาเขียนมาเล่าให้เจ้าฟัง เมื่อตอนเช้ามืดแม่กับทิศลงฝันตรงกันคือฝันเห็นเจ้าห่มผ้าเหลืองมาบอกให้แม่กับทิศเขาเลิกฆ่าสัตว์ให้ไปหางานอื่นทำที่จริงเราคิดกันมานานว่าจะเลิกแต่ก็ไม่รู้จะไปทำอะไรกินพอดีเมื่ ง, งวดทีแล้วทิศลงเขาฝันเห็นเลขเลยแทงหวยใต้ดินไปยี่สิบบาทแล้วมันก็ถูก ที่สําคัญคือแม่กําลังมีน้องให้เจ้าตั้งแต่ตั้งท้องก็เหม็นกลิ่นวัวเนื้อวัวควายแล้วก็ไม่ได้ช่วยทิดเข้าแล่เนื้ออีกเลยวันที่เป็นวันพระไม่ต้องค่าก็เลยค่อยยั้งชั่วหน่อยแล้วก็เหมือนโชคเข้าข้างเราเพราะเมื่อวานมีคนมาสมัครงานกับเท่าแกเท่าแก่เขาก็บอกว่ า, าทัดทิดลุง ออกเขาก็จะรับคนนั้นแทนทิดลุงเคยไปขอลาออกเมื่อสองสามวันก่อนเพราะว่าสงสารแม่แพ้มากเมื่อวานระบอกเท่าแก่ไปแล้วว่าจะออกตอนเช้ามืดก็มาฝันพอดีคงเป็นบุญเจ้าที่ได้ไปบวชจึงทำให้แม่กับพ่อเลี้ยงเจ้าเลิกอาชีพนี้ได้ถ้าแม่ได้อยู่ที่หม่เรียบร้อยแล้วแม่จะส่งข่าวให้เจ้ารู้ทีหลัง หวังว่าเจ้าคงสบายดีถ้ามีเวลาก็มาเยี่ยมแม่บ้างรักและเป็นห่วงลูกเสมอลงชื่อบุญพาลุมข้อความในจดหมายทำให้พระบวัวเฮียวปีตินักท่านรีบเดินไปที่กุติท่านพระครูเมื่อแจ้งข่าวในขุนทองนำท่านขึ้นไปพบหลวงลุงชั้นบนของกุติเพราะชั้นล่างนั้นมีคนมานั่งรอกันบ้างแล้ว แม้ว่าอีกตั้งสามชั่วโมงกว่าท่านจะลงมามีอะไรหรือบัวเฮียวถ้าไม่รีบร้อนไปฉันเพลเสก่อนก็ได้ท่านพระครูบอกลูกศิษย์เพราะเกรงฝ่ายนั้นจะหิวกราบพระอุปชาสามครั้งแล้วผู้เป็นศิษย์จึงตอบว่า ผมอิ่มแล้วครับหลวงพ่อฉันปีติซิอิ่มเลยปีติเรื่องอะไรล่ะแทนคำตอบพระโบเยวส่งจดหมายฉบับนั้นให้ท่านพระครูรับมาอ่านแล้วแสดงมุทิตาจิตว่าฉันขออนุโมทนาเห็นไหมเธอทำสำเร็จแล้วเห็นอานิสงส์ของการแผ่มเมตตาหรือยังเห็นแล้วครับ ผมต้องกราบขอบพระคุณหลวงพ่อเป็นอย่างสูงครับที่นอกจากจะเมตตาตัวผมแล้วยังแผ่เมตตาไปถึงโยมแม่ผมด้วยและหากไม่เป็นการรบกวนจนเกินไปผมอยากขอความกรุณาหลวงพ่อช่วยเมตตาโยมพ่อด้วยอีกคนนะครับจะยากอะไรเหล่าบัวเยียวก็ทําอย่างที่เธอทําอยู่นั่นแหละแต่จะต้องให้มากกว่าเกา่า เพราะถ้าพลังจิตแม่แรงพอก็จะส่งไปไม่ถึงเธอต้องฝึกให้เข้มข้นกว่านี้จึงจะสามารถส่งไปพบภูมิอื่นได้ก็ขึ้นอยู่กับความเพียรพยายามของเธอนั่นแหละเอาเลยหลวงพี่สู้สู้ขุนทองเอาใจช่วยในขุนทองเชียร์ออกหน้าออกตาถ้าเองมาช่วยปฏิบัติ ด, ด้วยรับรองว่าสำเร็จแน่ ท่านพระครูเห็นช่องทางที่จะโน้มน้าวจิตใจหลานชายอุ๊ยอย่าให้ถึงขนาดนั้นเลยฮะหลงลงุงให้หนูคอยเอาใจช่วยดีฝาอย่าให้ถึงกลับลงไปขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอด้วยเลยนายขุนทองรีบปฏิเสธลงพ่อเคยบอกว่ามีคนทำได้มาแล้วที่เป็นชาวนอร์เวย์นะครับผมขออนุญาตฟังได้ไหมครับ ได้สิถ้าเธออนุญาตให้ฉันเล่าฉันก็จะอนุญาตให้เธอฟังท่านล้อเลียนน้องชายขอบพระคุณครับมิมนหลวงพ่อเล่าเธอครับเธอเห็นรูปพระฝรั่งที่ตั้งอยู่หน้าอาสนะฉันรู้เปล่าล่ะนั่นแหละเขาละอ๋อที่นั่งขัดสมาธิหลับตาอยู่ในรูปนั้นใช่ไหยฮะหลวงลุงแหม่ล้อหล่หอ ขุนทองชมหลอก็อย่าไปหลงรักเขาก่อนแล้วกันเขามีเมียแล้วท่านพระครูรีบปลามไว้ก่อนแล้วฮะแมมอีขุนทองอกหักซะแล้วพูดพร้อมกับยกมือขึ้นทาบอกจะฟังหรือไม่ฟังถ้าไม่ฟังก็ลงไปข้างล่างท่านพระครูไล่อย่างสุภาพฟังห้าฟัง แมพูดแค่นี้ก็ต้องมีโมโหด้วยล้านชายบ่นอุกท่านพระครูจึงเล่าว่าเขาชื่อวิกโกบารุนเป็นชาวนอร์เวย์แต่สอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยโคเปนเฮเกนประเทศเดนมาร์กเคยมาบวชที่วัดนี้เมื่อปี2512วิกโกเป็นชื่อส่วนบารุนเป็นนามสกุล เขานับถือศาสนาอะไรครับศาสนาคริสต์แต่สนใจศึกษาพระพุทธศาสนาเขาสอนภาษาไทยอยู่ที่มหาวิทยาลัยโคเป็นเฮเกนได้ทุนมาเรียนภาษาไทยที่คณะอักษรศาสตร์จุฬาเขาเล่าให้ชั้นฟังว่าปู่เขาเป็นศาสตราจารย์สอนอยู่มหาวิทยาลัยออสโลประเทศนอร์เวย์ ชอบศึกษาพระพุทธศาสนาอ่านพระไตรปิฎกจบหมดคืออ่านฉบับที่แปลเป็นภาษาอังกฤษซึ่งเวลานี้ก็ยังแปลไม่ครบทั้ง45เล่มแปลมาบางเล่มและปู่เขาก็อ่านหมดตอนเขาจะมาเมืองไทยปู่ก็ให้พรว่าหลานมาเมืองไทยอย่าลืมเอาของดีมาฝากปู่นะเขาสั่งหลานอย่างนี้ศาสตราจารย์คนนี้แกฉลาด ฉลาดจริงๆอุตส่าห์รู้ว่าเมืองไทยมีของดีคนไทยซสอีกยังไม่รู้ของดีอะไรครับของดีอะไรฮะพระบบยเหียวและนายขุนทองถามขึ้นพร้อมกันนั่นไงคนไทยสองคนนั่งอยู่ที่นี่ก็ยังไม่รู้เลยคนไทยคนเดียวครับผมเป็นคนยวนพระบบยเหียวรีบแก้ตัวนั่นแหละ นี่เง่าทั้งคนไทยคนยวนนั่นแหละเอาละไม่รู้ก็ไม่เป็นไรฟังฉันเล่าต่อกัแล้วกันพ่อปู่พูดอย่างนี้นายวิโก้ก็ถามว่าของดีอะไรปู่บอกเอาเถอะไปถึงแล้วจะรู้เองหลังจากนั้นนายวิโก้ก็เดินทางมาประเทศไทยเมื่อปีพุทธศักราช2511เรียนอยู่ปีหนึ่ง พอปิดเทอมภาคฤดูร้ อ, อนก็นึกอยากจะบวชจึงอ่านพระวินัยปิฎกแปดเล่มเขาอ่านภาษาไทยได้พูดก็ได้ใช้ศัพท์ถูกต้องกว่าคนไทยบางคนซสอีกแล้วเขาก็คิดหาวัดที่จะบวชก็เที่ยวสำรวจวัดต่างๆ ต, ตั้งแต่กรุงเทพอ ย, ยุทยาอ่างทองลบบุรีจนกระทั่งมาถึงวัดป่ามะม่วงเนี่ย ผ่านมาถึงสี่จังหวัดไม่ถูกใจมาถูกใจเอาจังหวัดที่ห้าวัดป่ามะม่วงตั้งอยู่นี่เขาเอาอะไรมาตัดสินละครับว่าวัดไหนถูกใจหรือไม่ถูกใจพระโวเฮียวถามเขาบอกเขาเที่ยวถามพระมาทุกวัดให้ตอบปัญหาเขาแต่ไม่มีพระวัดไหนตอบได้ปัญหาที่ว่าก็คืออะไรเอ่ยสี่คนหาม สามคนแห่คนหนึ่งนั่งแคร่สองคนพาไปเขาบอกไม่มีใครตอบได้เขาก็เลยมาถามชันฉันก็ตอบเข้าไปจะถูกหรือไม่ถูกก็ไม่รู้ละเพราะเขาไม่ได้เฉลยพอฉันตอบเสร็จเขาขอบวชทันทีหลวงพ่อตอบว่าอย่างไรครับเธอลองตอบสิถ้าเป็นเธอถูกถามอย่างเนี้ยจะตอบว่ายังไง ท่านถามพระโวเหียวไม่ทราบครับแต่ผมอยากทราบที่หลวงพ่อตอบเขานะครับฉันตอบไปว่าสี่คนหามก็คือตัวเราซึ่งเกิดจากการประชุมกันของธาตุทั้งสี่ คือปฐวีธาตุอาโปธาตุไบโยธาตุแล้วก็เตโชธาตุลงุลงลุงหนูไม่เข้าใจช่วยแปลหน่อยเธอหะนายขุนทองร้องขอพระบยเขียวจึงรับหน้าที่แปลให้ฟังว่าธาตุทั้งสีที่ท่านพระครูพูดถึงก็คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟนั่นเองสามคนแห่ก็คือกิเลส หรืออากุสลมูลก็ได้แก่โลภะโทสะโมหะหนึ่งคนนั่งแพร่ก็คือจิตคือคนนั้นประกอบด้วยสองส่วนคือรูปกับน้ำรูปเกิดจากการประชุมของดินน้ำลมไฟส่วนน้ำก็คือจิตสองคนพาไปก็คือบุญกับบาปขยายความคือคนเราขณะมีชีวิตอยู่ก็ถูกโลภะโทสะโมหะ ชักจูงไปพอตายลงก็เหลือแต่บุญกับบาป ท, ที่จะพาไปสุขคติหรือทุกขคติพอฉันตอบอย่างนี้เขาก็ขอบวชบอกว่าอ่านพระวินัยปิดกเข้าใจหมดแล้วสิกขาบทสองยิบเจข้อก็จำได้แล้วฉันเห็นท่าทางเข้าทีก็เลยให้บวชแล้วก็สอนกรรมฐานให้เขาก็ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด แล้วก็เอาจริงเอาจังเทศก็เก่งฉันเคยพาไปเทศตาม ง, งานต่างๆเทศแบบปุตชาวิสชนาก็ได้พวกชาวบ้านชอบใจมากวันหนึ่งฉันก็พาไปเทศงานศพเขาก็ไปว่าพวกลูกๆของคนตายฉันต้องรีบพากลับแทบไม่ทันไปว่าเขาทำไมครับก็พวกนั้นทำไม่ถูกต้องงานศพพ่อ ลูกๆพากันกินเหล้าเมาแอเขาก็ถามพวกนั้นว่าคนที่นอนอยู่ในโรงน่ะใครพวกลูกๆ ก, ก็บอกว่าพ่อผมเองท่านไม่รู้หรอกหรือหลวงพ่อที่พามาไม่ได้บอกหรอกหรือเขาก็ตอบว่ารู้แล้วหลวงพ่อก็บอกแล้วด้วยแต่ที่ถามเพราะอยากรู้ว่าในเมื่อพ่อของพวกคุณตาย และพวกคุณมานั่งกินเหล้าต่อหน้าศพเช่นนี้คุณพ่อของคุณจะได้บุญยังไงพ่อพูดอย่างนี้พวกลูกๆูกเขาทำท่าจะตะลุมบอลเพราะคนเมานั้นขาดสติแยกไม่ออกว่านี่พระนี่ครหาดพ่อพูดผิดหูหน่อยก็จะตะลุมบอลพระเสียแล้วฉันเลยต้องรีบพากลับวัดพวกชาวบ้านที่มาฟังเทศก็ไม่อยากให้กลับ บอกหลวงพ่อนิมนต์อยู่ก่อนฉันก็ตอบไปว่าอยู่ไม่ได้หรอกโยมพระวิโก้ทำพิษซะแล้วแล้วเขาแผ่เมตตาไปให้พ่อแม่ตอนไหนครับก่อตอนบวชครบเดือนแล้วเขาตั้งใจปฏิบัติมากบอกให้หมดว่ารอบวัดเนี่ยเดินจงกรมกี่ก้าวใช้เวลากี่นาทีวันหนึ่งเขาถามฉันว่า เขาจะแผ่มเมตตาไปยังพ่อกับแม่ที่นอร์เวย์จะได้ไหมฉันก็มองหน้าเขาอย่างสำรวจตรวจตาแล้วก็ตอบว่าได้เขาก็ทําอย่างที่เธอทำวันหนึ่งเขาก็ถือจดหมายมาหาฉันร้องไห้ด้วยเขาบอกเขาดีใจจนร้องไห้จดหมายนั้นใช้เวลาเดินทางเกือบเดือนถึงวัดป่ามะม่วงคือเดินทางจากนอร์เวย์ มาติดอยู่ที่คณะอักษรศาสตร์เพื่อนเข้ามาเห็นก็เลยนํามาให้เขาเล่าว่าวันนั้นเมื่อเขาทํากรรมฐานเสร็จก็แผ่เมตตาไปให้ปู่พ่อแม่แล้วก็เพื่อนสนิทอีกสองคนในจดหมายแม่ก็เล่ามาอย่างละเอียดวันเวลาตรงกับที่เขาแผ่เมตตาไปให้แม่เขาเล่าว่าวันนั้นปู่พ่อและเพื่อนของเขาอีกสองคน กำลังคุยกันอยู่ในห้องรับแขกส่วนเขาไม่สบายแต่ก็นอนฟังเขาคุยกันอยู่ในห้องนอนพอคนทั้งสี่คุยถึงเขาแม่ก็เลยลุกขึ้นมาร่วมวงด้วยและทุกคนก็ได้เห็นผ้าเหลืองลอยอยู่ทางทิศตะวันออกแวบหนึ่งแล้วก็หายไปปู่จึงพูดว่าหลานของปู่ได้มาพบของดีในเมืองไทยแล้วแม่เขาก็เลยเข้าห้อง หยิบ ป, ปากกาประดาษมาเขียนจดหมายเล่าให้เขาฟังเป็นเรื่องอัศจรรย์ยิ่งนักเพื่อนเขาสองคนก็ประหลาดใจมากหนูก็ประหลาดใจมากห้าหลวงลุ ง, ลงมันเป็นไปได้ยังไงผ้าเหลืองจากเมืองไทยลอยไปประเทศนอร์เวย์ไม่ใช่ผ้าเหลืองจริงๆหรอกเจ้าหุนทองที่คนทั้งห้าเห็นนั่นนะ่ะเขาเรียกว่านิมิต้าเองอยากพิสูจน์ ก็ต้องมาเข้ากรรมฐานท่านพระครูถือโอกาสเกลี้ย ก, กล่อมหลานชายกำลังจะกลายเป็นหลานสาวอุ๊ยกรรมฐานกรรมโทนอีขุนทองไม่เอาไม่เอาในขุนทองปฏิเสธเสียงลั่น